วิธีติดต่อกับวิญญาณและลาง จะไม่ใช่เป็นของท่านที่อยู่ในโลกอกุปปาปติกะแต่ออกมาจากจิตของข้าพเจ้าเองแล้วอ้างว่าเป็นขององค์นั้นองค์นี้เพื่อให้คำพูดของข้าพเจ้าเองศักดิ์สิทธิ์อันที่จริงเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยชี้แจงมาแล้วแต่ผู้อ่านบางคนอาจจะไม่ทราบเพราะฉะนั้นจึงขอชี้แจงใหม่อีกครั้งหนึ่ง การติดต่อ 3 วิธีคือคือ 1 เข้าทรง 2 เชิญลงถ้วย 3 เข้าสมาธิไปติดต่อการเขเข 100% เราจะได้คําพูดที่เป็นสํานวน แต่ถ้าหากคนทรงยังถอดกายทิพย์ไม่ได้ และบางทีก็มีอภินิหารหรือมีข้อเลย ถึงแม้ว่าทั้งนี้ก็เพราะมีเหตุผลอยู่ว่าคนทรงประเภทนี้จะต้องเป็นคนที่มีบารมีสมมุติ และเป็นหมอที่เก่งเป็นหมอที่เก่งหรือหมดความรู้สึกไปบ้างเป็นบางครั้งของความเป็น อันนี้แหละจะทําให้คนทรงได้ เมื่อจะพูดกันอีกในหนึ่งจะพูดกันอีกนายหนึ่ง สำหรับในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องพยากรหรือเกี่ยวกับเรื่องไหนก็ตามในในระหว่างการเข้าทรงจะมีอาการรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกตัวได้ตลอดเกี่ยวกับเรื่องพยากรณ์ ซึ่งการเข้าทรงแบบนี้จะทำทั้งวันหรือทั้งคืนก็ได้การเข้าทรงแบบนี้ย่อมหมายถึงเข้าทรงแบบนี้จะ ย่อมอยู่ในหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมา เมื่อถึงเวลาเขียนถึงนึกถึงแต่เรื่องที่จะเขียนออกมาเขียนข้าพเจ้าก็เข้าสมาธิทํา แต่ถ้าท่านช่วยไหลออกๆและมีข้าพเจ้า เพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวข้าพเจ้าจึง คฟ้าจ้าที่สามารถจะสอบหลักฐานได้คือตัวชื่อคุณวัชรีสิริเวชท่านผู้นี้เป็น และเขียนรูปทั้งวันทีครั้งหนึ่งเขาเกิดสงสัยตัวเขาเองว่าหมกตัวอยู่ในห้องเขียน สามีในชาติก่อนเป็นคนที่มีฝีมือดีมากในการเขียนรูปในสมัยที่ยังเป็นคนคุณวัชรีเองในชาติก่อนก็เป็นนักเขียนรูปที่มีฝีมือเหมือนกันและประกอบกับคุณวัชรีมีตัวเป็นสื่อคุณวัชรีเคยถูกโอปปาติกะเข้าสิ่งจนกระทั่งหมดความรู้สึกตัว คุณเขาจะเขียนได้อย่างไรบอกเรื่องราวในชาติก่อนก็ลืมไปหมดแล้วเค้าเวลาจะเขียนรูปขอให้นึกถึงเขาขอให้ทําจิตให้เป็นสมาธิแล้วเขาจะมาช่วยเขียนให้ไรเพราะ คุณวัชรีบอกว่าๆโดยที่ในใจ เพราะว่าสามารถเขียนได้เหมือนๆคุณวัชรีเขียนรูปที่ๆไปเสมอ มากบ้างน้อยบ้างแต่คนทั้งหลายไม่ และหมั่นสังเกตความรู้สึกนึกคิดของตัวมันสังเกตความรู้ๆไว้ โดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนเลย ซึ่งจากหลักวิชาสั้นๆที่อธิบายมานี้หวังว่าผู้อ่านที่สงสัยหรือที่กล่าวหาว่าวิบากที่มี อัน 1 หลักของการเชิญโอปปาติกะลง 2508 ผู้ 1 ข้าพเจ้าอยากจะขอเพิ่มและ คนส่วนมากยังคงเข้าใจอยู่ อันที่จริง 2 7 และ 8 แต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้า คนที่โกงคนอื่นหรือเอาเปรียบคนอื่นไม่ใช่ และไม่ว่าจะทําความชั่วอะไรก็มัก คนส่วนมักจะถือกันว่าดีมักจะเข้าคนคนคนคนคน 3 1 เป็น 2 เป็นเพราะโอกาสของคนนั้นดีกว่าของคนอื่น 3 เป็นมีความจัดเจนมากกว่าคนอื่นเขามี กว่าคนอื่นจะรู้หรือได้รับโทษนั้นมันเป็นการลงโทษอย่างยุติธรรมอยู่ในตัวแล้วอื่นวิบากก็ต้องมีมากรู้หรือไม่ หรือให้ผลมากกว่าคนที่ทำความชั่วน้อยเพราะฉะนั้นผลมากกว่าคนที่ ข้าพเจ้าขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่าคนมี นอกจากความจริงดังที่กล่าวมานี้แล้วยังมีอีกแง่หนึ่งก็คือจริงดังที่กล่าวมานี้แล้วยังมี คนทุกวันนี้ที่เสียกันมักจะเป็น พอมีเงินพอมีช่องๆ แต่บางคนไม่เคยพบคนดีอย่างนี้เคยพบแต่คนไม่ดีฉะนั้นจึงยึดถือผิดว่าไม่เคยพบคนดีอย่าง แต่ยังไม่มีหน้ากระดาษจะลงฉะนั้นจึงขอเลื่อนไปฉบับหน้าไม่มีหน้ากระดาษจะลงฉะนั้นเธอทุกคืนเธอก็ได้ day it long fun και την απειλή